พระรตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสุตตันตปิฎกที่ข้านิกายมหาวัคมหานิทานสูตรสูตรว่าด้วยต้นเหตุใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนนนิคมชื่อกรมมาสธรรมะในแคว้นกุรุพระอานนทเข้าไปเฝ้ากราบทูลว่าแม้ปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่เกิดขึ้นอาศัยกันและกัน เป็นของลึกซึ้งและมีเงาลึกซึ้งแต่ปรากฏเป็นของตื้นสําหรับท่านพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าพูดอย่างนั้นปฏิจสมุ ป, ปบาทนี้ลึกซึ้งและมีเงาลึกซึ้งเพราะไม่ตรัสรูธ้ธรรมนี้สัตว์จึงไม่ล่วงพ้นอบายคือภูมิอันเสื่อมทุกติคือที่ไปอันชั่ววินิบาดคือสภาพอันตกต่ํา สงสารคือการท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดยุ่งเหยิงสับสนเหมือนต้นหญ้าที่ตกเกลื่อนกลาดอยู่ยากที่จะจัดระเบียบต้นปลายข้อนี้อัจฉริยแก้ว่าเป็นของง่ายและตื้นสําหรับพระอานนท์จริงแต่ยากสําหรับคนทั่วไปทั้งนี้เพราะพระอานุ์เป็นพระหูสูตรผู้สดับาตรับฟังมากและมีปัญญา อะไรเป็นปัจจัยแห่งอะไรต่อจากนั้นทรงแนะนำเรื่องปฏิจจสมุปบาทต่อไปว่าถ้ามีผู้ถามว่าความแก่ความตายมีปัจจัยหรือไม่พึงตอบว่ามีโดยชี้ไปที่ชาติหรือความเกิดว่าเพราะความเกิดเป็นปัจจัยจึงมีความแก่และความตายเพราะพบคือความมีความเป็นเป็นปัจจัย จึงมีชาติคือความเกิดเพราะ อ, อุปาทานคือความยึดถือเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะตัณหาความทยานอยากเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัส ท, ทางตาหูเป็นต้นเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะรูปนามเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะสำหรับรูปนามสิ่งที่เป็นรูปคือธาตุสี่และรูปอันปรากฏเพราะอาศัยธาตุสี่ส่วนสิ่งที่เรียกว่านามคือสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมีแต่ชื่อได้แก่เวทนาความรู้สึกอารมณ์สัญญาหรือความจำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะหรือความถูกต้องสัมผัสมนสิการ ความทำไว้ในใจเพราะวิญญาณหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณคือธาตุรู้ที่ถือกำเนิดเป็นปัจจัยจึงมีรูปนามคำว่าวิญญาณในที่นี้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณเราทรงใช้คำว่าวิญญาณก้าวลงในท้องของมารดาในตอนขยายความต่อจากนี้แต่ในสังยุตตนิกายนิทานวัตรทรงอธิบายวิญญาณว่า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 เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติหรือความเกิดเป็นปัจจัยจึงมีชรลามรณะคือความแก่และความตายในตอนนี้พึงสังเกตว่าทรงแสดงปฏิจจสมุ ป, ปบาทในลักษณะพิเศษเพราะสาวไปไม่ถึงอวิชชา หากวนเป็นเหตุปัจจัยกันอยู่ระหว่างนามรูปกับวิญญาณโปรดดูข้อ9และข้อ10คือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณและเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปทั้งสองข้อนี้ต่างฝ่ายเป็นปัจจัยของกนและกันแล้วจึงต่อเนื่องไปถึงอันอื่นต่อจากนั้นทรงอธิบายรายละเอียดพร้อมทั้งเหตุผลประกอบหัวข้อทั้ง17ข้อนั้น แต่มีข้อหน้าสังเกตที่ทรงใช้สักเกี่ยวกับสัมผัสคือทรงอธิบายสัมผัสว่ามีหกมีสัมผัสทางตาจนถึงสัมผัสทางใจแล้วทรงใช้คำว่าอธิวัจนะสัมผัสซึ่งอัถกถาอธิบายว่าเป็นสัมผัสทางใจและปฏิฆะสัมผัสซึ่งอัถกถาอธิบายว่าเป็นสัมผัสที่เนื่องด้วยรูปขันคือสัมผัสทางร่างกาย คำอธิบายปฏิจจสมุปบาทโดยละเอียดจะมีแจ้งในการย่อความเล่มที่16เพราะในเล่มนั้นทั้งเล่มว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท ต, ตลอดในที่สุดตรัสสรุปในชั้นนี้ก่อนว่าข้อที่วิญญาณกับนามรูปต่างเป็นปัจจัยของการละกันนี้ย่อมเป็นเหตุให้สัตว์เกิดแก่ตายจุติอุ ป, ปบตัต เป็นเหตุให้มีทางแห่งคำเรียกชื่อมีทางแห่งการพูดจามีทางแห่งการบัญญัติมีการรู้ได้ด้วยปัญญาและมีวัตตะความหมุนเวียนและมีความเป็นอย่างนี้สำหรับอุ ป, ปบัติเป็นคำคู่กับจุติจุติหมายถึงเคลื่อนจากฐานะเดิมอุปบัติหมายถึงเข้าถึงฐานะใหม่ การบัญญัติและไม่บัญญัติอัตตาต่อจากนั้นทรงแสดงการบัญญัติอัตตา4ประการคือ1บัญญัติอัตตาเล็กน้อยว่ามีรูป 2. บัญญัติอัตตาหาที่สุด ā ā ไม่ได้ว่ามีรูป 3. บัญญัติอัตตาเล็กน้อยว่าไม่มีรูปและ 4. บัญญัติอัตตาหาที่สุด ā ā ไม่ได้ว่าไม่มีรูป การบัญญัติอย่างนี้ย่อมมี3ประการคือหนบัญญัติอัตตาเฉพาะในปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะมีความเห็นว่าตายแล้วศูน 2. บัญญัติอัตตาที่มีความเป็นอย่างนั้นเพราะมีความเห็นว่าเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลง 3. บัญญัติด้วยต้องการจะลบล้างความเห็นผิดของฝ่ายอื่นจูงมาสู่ความเห็นของตนซึ่งเข้าใจว่าถูก ส่วนการไม่บัญญัติอัตตาก็เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับการบัญญัติอัตตาที่กล่าวมาแล้วความคิดเห็นเรื่องเวทนาเกี่ยวกับอัตตาครั้นแล้วสรงแสดงความคิดเห็นของบุคคล3ข้อเกี่ยวกับเวทนาและอัตตาคือหนึ่ง เห็นว่าเวทนาความรู้สึกอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นอัตตาตัวตนของเรา 2. เห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราอัตตาของเราไม่รู้สึกอารมณ์ 3. เห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราอัตตาของเราไม่รู้สึกอารมณ์ก็ไม่ใช่อัตตาของเรายอมสวยอารมณ์อัตตาของเรา มีเวทนาเป็นธรรมดาแล้วส่งแสดงเหตุผลให้เห็นจริงทั้งสามข้อว่าไม่ควรยึดถืออย่างนั้นในที่สุดตรัสสรุปว่าภิกษุผู้ไม่เห็นทั้งสามอย่างนั้นย่อมไม่ยึดถืออะไระไรในโลกเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่สะดุ้งดิ้นรนเมื่อไม่สะดุ้งดิ้นรนก็ดับสนิทเฉพาะตนรู้ว่าชาสิ้นแล้ว ได้อยู่จบพรมจาร์แล้วได้ทำหน้าที่เสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกภิกษุผู้หลุดพ้นแล้วเช่นนี้ไม่ควรที่ใครๆจะกล่าวว่าท่านมีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดสัตว์ตายแล้วไม่เกิดสัตว์ตายแล้วทั้งเกิดทั้งไม่เกิดและสัตว์ตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะวัตตะย่อมหมุนเวียนไปตราบเท่าที่ยังมีทางแห่งคำเรียกชื่อมีทางแห่งคำพูดจามีบัญญัติมีทางแห่งการบัญญัติมีการนัดกรรันรู้มีการรู้ได้ด้วยปัญญาและยังมีการหมุนเวียนอยู่ภิกษุผู้หลุดพ้นเพราะรู้ความจริงนั้นไม่ควรที่ใครๆจะมีความเห็นว่าท่านไม่รู้ไม่เห็น หมายเหตุการที่พระอรหันต์ไม่ติดอยู่ในความเห็นข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าสัตว์ตายแล้วเกิดหรือไม่นั้นเป็นเพราะไม่ติดอยู่ในสมมุติบัญญัติเกี่ยวกับกระแสหมุนเวียนเมื่อรู้เท่าทันกระแสหมุนเวียนและหลุดพ้นได้จึงไม่ควรที่จะกล่าวว่าท่านไม่รู้ไม่เห็นสำหรับคำว่าอัตตาเล็กน้อยถ้าเทียบกับศาสนาพราหมณ์น่าจะหมายถึงอัตตาของแต่ละคน ส่วนอัตตาหาที่สุดไม่ได้หรืออนันตะอัตตาน่าจะหมายถึงอัตตาใหญ่หรืออัตตาสากลที่เรียกว่าปรมาตมันแต่อัตถกถาอธิบายว่าผู้ไม่ได้เจริญกสินนิมิตย่อมบัญญัติอัตตาเล็กน้อยถ้าได้เจริญกสินนิมิตย่อมบัญญัติอัตตาหาที่สุดไม่ได้ ที่ตั้งแห่งวิญญาณเจดอย่างต่อจากนั้นทรงแสดงวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งแห่งวิญญาณเจ็ดอย่างคือหนึ่งสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาหรือความจำได้หมายรู้ต่างกันเช่นมนุษย์เทวดาบางพวกและเปรตบางพวกข้อนี้อัจกถาอธิบายว่าได้แก่พวกเวมานิกาเปรต คือเปรตที่ได้วิมานซึ่งได้รับความสุขความทุกข์สลับกันไปเปรตพวกนี้ไม่จัดอยู่ในอบายภูมิสองสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นเทพพวกพรหมที่เกิดด้วยปฐมฌานและสัตว์ที่อยู่ในอบายสีสามสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกัน เช่นเทพพวกอภัสรพรมสสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นเทพพวกสุภกินนะหะพรมหสัตว์เหล่าหนึ่งก้าวล่วงความกำหนดหมายในรูปทำในใจว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เข้าถึงอากาศสาันในจยตนะเป็นพรมไม่มีรูปพวกที่หนึ่งหก สัตเหล่าหนึ่งก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะทำในใจว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะเป็นพรหมไม่มีรูปพวกที่สองเสัตว์เหล่าหนึ่งก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะทำในใจว่าไม่มีอะไรเข้าถึงอากินจัญญายตนะเป็นพรหมไม่มีรูปพวกที่สาม อายตนะสองครั้นแล้วส่งแสดงอายตนะสองคือ 1. อสัน ญ, ญีสัตตายตนะอายตนะหรือที่ต่อคือสัญญาสัตว์อสัญยีสัตว์เป็นพวกมีแต่รูปไม่มีวิญญาณจึงไม่จัดเข้าในวิญญาณทิฏฐิเจอย่างแต่เรียกว่าอายตนะ 2. เนวสัญญานาสัญญายตนะ อายตนะหรือที่ต่อคือที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี้เป็นพรมไม่มีรูปพวกที่สี่เพราะเหตุที่วิญญาณในอรูปประพมชั้นนี้สุขุมละเอียดอ่อนมากจึงไม่ควรกล่าวว่ามีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณฉะนั้นจึงไม่จัดเข้าในวิญญาณทิติเจแต่เรียกว่าอายตนะเป็นอันว่าต้องกล่าวว่า วิญญาณนิทิจเจ็และอายตนะสองจึงจะครอบคลุมสัตว์โลกได้หมดทุกชนิดผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาตรัสสรุปเฉพาะตอนนี้อีกว่าผู้ใดรู้วิญญาณทิติทั้งเจดรู้อายตนะทั้งสองรู้ความเกิดขึ้นรู้ความดับไปรู้ความพอใจรู้โทษและรู้การแล่นออก คือหลุดพ้นจากวิญญาณทิติทั้งเจและอายตนะสองแล้วควรหรือที่จะชื่นชมยินดีวิญญาณทิติเจและอายตนะสองนั้นพระอนุนกราบทูลว่าไม่ควรจึงตรัสว่าภิกษุผู้รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานเรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตต์คือผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา วิโมก8ความหลุดพ้น8ทรงแสดงวิโมก8แก่พระอนุนต่อไปคือ 1. บุคคลมีรูปเห็นรูป 2. บุคคลมีความกำหนดหมายในสิ่งไม่มีรูปเห็นรูปภายนอก 3. บุคคล น, น้อมใจว่างาม 4. บุคคลทำไว้ในใจว่าอากาศไม่มีที่สุด เข้าถึงอาการสานัญจายตนะ5บุคคลทำไว้ในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดเข้าถึงวิญญาณนัญจายตนะ6บุคคลทำไว้ในใจว่าไม่มีอะไรเข้าถึงอากินจัญญายตนะ7บุคคลก้าวล่วงอากินจัญญายตนะเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ8 บุคคลก้าวล่วงในว่าสัญญานาสัญญายาตนะเข้าถึงสัญญาเวทยยตะนิโรธสรุปเกี่ยวกับวิโมก8ภิกษุผู้เข้าสู่วิโมก8ดนี้ได้ทั้งอนุโลมคือตามลำดับและปฏิโลมคือถอยกลับจากหลังไปหาหน้าเข้าได้ออกได้ตามต้องการย่อมทาให้แจ้งคือบรรลุความหลุดพ้นด้วยสมาธิหรือเจโตวิมุต และความหลุดพ้นด้วยปัญญาหรือปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะได้ในปัจจุบันภิกษุนี้เรียกว่าอุปโตภาคาวิมุตต์คือผู้พ้นทั้งสองทางไม่มีอุปโตภาคาวิมุตต์อย่างอื่นยอดเยี่ยมกว่าปราณีตกว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระอ น, นุ์ก็ชื่นชมพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาค หมายเหตุมหานิทานสูตรนี้เป็นการแสดงเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดโดยแสดงเงื่อนต้นที่วิญญาณและนามรูปต่างเป็นปัจจัยของกนและกันทำให้เวียนว่ายตายเกิดและเป็นเหตุให้มีการบัญญัติอัตตาตัวตนผู้รู้แจ้งความจริงย่อมไม่ติดในบัญญัตินั้ น, น, นในที่สุดได้แสดงถึงวิญญาณนิทิติคือที่ตั้งแห่งวิญญาณหรือประเภทแห่งสัตว์โลกเจ็ด กับแสดงอายตนะสองคือพวกที่วิญญาณไม่ปรากฏกับปรากฏแต่ไม่ชัดสองพวกในที่สุดได้แสดงวิโมกคือความหลุดพ้น8ประการที่ผู้เข้าออกได้คล่องแคล่วจะชื่อว่าผู้พ้นด้วยสมาธิและปัญญาความจริงควรจะได้อธิบายรายละเอียดว่าข้อไหนมีความพิสดาลอย่างไรแต่ถ้าทำอย่างนั้นจะไม่จบตามกาหนด จึงต้องขอผ่านไปเสนอแต่ความสำคัญ